พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าโลหิตจะสูตรสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับโลหิตจะพราหมณ์พระผู้มีพระภาคเสด็จเจ้าริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จแวะพักณตำบลบ้านชื่อสาลวัติกาซึ่งพระเจ้าเปเสนที่โกศลพระราชทานให้โลหิตจะพราหมณ์ครอบครอง ทรงแก้ความเห็นผิดสมัยนั้นโลหิตพราห ม, มีความเห็นผิดเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพราหมู้บรรลุกุศลธรรมแล้วไม่พึงบอกแก่ผู้อื่นเพราะคนอื่นจะทำอะไรแก่อีกคนหนึ่งได้การบอกแก่คนอื่นจัดว่าเป็นความโลภหรือความอยากได้ที่เป็นบาปอันหนึ่งเปรียบเหมือนคนตัดเครื่องพันธนาการเก่าออกแล้วกลับทำเครื่องพันธนาการใหม่ ให้แก่ตัวเองอีกโลหิตจพรามได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงตำบลบ้านชื่อสารวติกาจึงใช้ช่างการระบบชื่อโรสิกะให้ไปกราบทูนอารัธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันในวันรุ่งขึ้นรุ่งขึ้นเมื่อเสด็จไปฉันเสร็จแล้วก็ได้ส่งโตตอบกับโลหิตจพรามถึงเรื่องความเห็นผิดนั้น ทรงเปรียบเทียบให้เห็นว่าโลหิตจพรามซึ่งครอบครองตำบลบ้านสาลวัติกาก็ตามพระเจาประสเสนที่โกศลซึ่งทรงครอบครองแคว้นโกศลก็ตามถ้าบริโภคผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในดินแดนที่ปกครองแต่ผู้เดียวไม่ยอมแบ่งปันให้ผู้ใดเลยดังนี้คนที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ให้แบ่งปันแก่ผู้อื่นอย่างนี้จะชื่อว่า ทำอันตรายแก่ผู้ที่เป็นฆ่าทาตบริวารอาศัยอยู่หรือไม่โลหิตพราหมยยอมรับว่าเป็นการทำอันตรายแก่คนเหล่านั้นเพราะเมื่อไม่ได้รับส่วนแบ่งเช่นอาหารเป็นต้นคนเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้ตรัสถามต่อไปว่าจะเป็นการตั้งเมตตาจิตคิดอนุเคราะห์คนเหล่านั้นหรือว่าเป็นศัตรู กราบทูลตอบว่าเป็นศัตรูตรัสถามต่อไปว่าเมื่อตั้งจิตเป็นศัตรูจะชื่อว่ามีความเห็นผิดหรือเห็นชอบพรามกราบทูลว่าเป็นการเห็นผิดอันนี้เป็นการต้อนให้พรามนั้นยอมรับว่าตนมีความเห็นผิดเพราะจำนวนต่อเหตุผลจึงทรงเปรียบเทียบให้ฟังต่อไปว่าการกล่าวว่า ผู้ครอบครองบริโภคผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียวไม่แบ่งปันแก่ใครเลยก็เช่นเดียวกับการกล่าวว่าผู้บรรลุอกุศลธรรมไม่ควรบอกแก่ใครๆซึ่งเป็นการทำอันตรายเป็นการตั้งจิตเป็นศัตรูต่อผู้ที่ควรจะได้รับและเป็นการมีความเห็นผิดาศาสดาสามประเภท แล้วทรงแสดงถึงศาสดาคือผู้สอนศาสนาสาประเภทที่ควรโจทย์ทวงและคำโจทย์ทวงก็ถูกต้องตามธรรมคือหศาสดาที่ออกบวชแล้วไม่ได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะด้วยตนเองได้แต่แสดงธรรมสอนผู้อื่นคือดีแต่สอนผู้อื่นตนเองปฏิบัติไม่ได้หรือไม่ได้ผลสาวกจึงไม่ตั้งใจฟัง พากันเลี่ยงหนีสอศา ส, สดาที่ออกบวชแล้วไม่ได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะด้วยตนเองได้แต่แสดงธรรมสอนผู้อื่นแต่สาวกตั้งใจฟังคำสอนไม่พากันเลี่ยงหนีสศา ส, สดาที่ออกบวชแล้วได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะและแสดงธรรมสั่งสอนแต่สาวกไม่ตั้งใจฟังคำสอน พากันเลี่ยงหนีศา ส, สดาที่ไม่ควรติดโลหิตพราหมกราบทูลถามว่าศา ส, สดาที่ไม่ควรติดมีในโลกหรือไม่ตรัสตอบว่ามีคือศาสดามีคุณสมบัติสมบูรณ์ในตัวเองทั้งมีสาวกที่ออกบวชแล้วตั้งอยู่ในศีลได้บรรลุฌานที่หนึ่งถึงสี่และได้วิชาแปดประการ ตามที่กล่าวแล้วในสามัญญาพ ล, ลสูตรศา ส, สดาประเภทนี้ไม่ควรถูกติเพราะสั่งสอนได้ผลสมบูรณ์คือตนเองก็ได้บรรลุคุณธรรมสาวกก็ได้บรรลุคุณธรรมโลหิตพราหมณ์กราบทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณ ะ, ะตลอดชีวิต